ทำต่อไปดี <c oughs> จากที่เราได้ฟังพระสูตรธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้า <c oughs> หลังจากการตรัดสลูแล้วได้หนึ่งเดือนพระองค์ได้เทศนากันนี้เจปปญจาวิคีครั้งแรกที่สุด จนปัญญาวิธีได้บรรุษ ธ, ธรรมมีกวนธรรญยาเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติที่ลั ด, ลดแต่ย่อแต่พิสดารได้จากนั้นพระสงฆ์ ก็นาไปปฏิบัติภายในแ9ดเก้าเดือนเกิดพระหานขึ้นหนึ่งพันสองยห้าสิบลูกมีแต่ปฏิบัติรุ่นล้ว น, วนประสงค์ก็มีปัญจวิคีแยกย้ายกันไปคนละทาง โกนธัญญาไปทางหนึ่งบัอบปะไปทางหนึ่งพัติยะไปทางหนึ่งมหานามะไปทางหนึ่งอจจชิไปทางหนึ่งไปเผยแพค่ครั้งแรกแนวทางปฏิบัติเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาหนึ่งพันสองรห้าสิบลูกภายในแปดเดือน ในข้างนริยะนี้ยังไม่มีวัดว่าอารามเลยอยู่ตามคนไม้ลมพรางตามถ้ำโ่อที่อาศัยได้อย่างไรทรไมจักคืออย่างไรจางที่เราได้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องของชีวิตเราเป็นเรื่องตัวปฏิบัติ ปฏิบัติคือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีสิ่งที่มันผิดให้มันถูกสิ่งที่มันมีทุกข์ให้มันไม่ทุกข์สิ่งที่มันหลงให้ไม่หลงถ้ามีความหลงนั่นแหะคือปฏิบัติเปลี่ยนหลงให้ไม่หลงคือเพราะว่าที่รู้จึกตัวนี่เองไม่ใช่คําพูด รวมรู้สึกตัวไม่ใช่คำพูดเป็นการสัมผัสเป็นการเห็นเป็นการรู้เห็นรู้เห็นพบเห็นถ้ามีหลงนั่นแหละงานขงเขหลอมีความรู้ขึ้นมาในคราวเดียวที่มันหลงให้อยู่ในวาระเดียวกัน อย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้โกรธเป็นโกรธอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์นี่คือธรรมจักถ้าหลงเป็นหลงหลงก็ยังมียังจะมีต่อไป ถ้าทุกเป็นทุกทุกก็ยังจะมีต่อไปโกรธเป็นโกรธโกรธก็ยังจะมีต่อไปถ้าหลงเป็นลูกเหมือนเกิดทําแล้วแม้ยังไม่หมดแม้ยังไม่ดับได้ก็ยังยังทําลงไปแล้วถ้าหลงที่ไหนลูกที่นั้นหลงก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนลูกก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นตัวปฏิบัติ มันต่างกันอยู่สัมผัสดูสัมผัดดสผความหลงสัมผัสกับความไม่หลงคือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นอย่างไรจริงเหล่านี้ไม่มีคำถามมีแต่คำตอบผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองถ้าผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ศึกษาผู้ไม่สัมผัสก็ไม่รู้ รมหลงเป็นส่วนตัวของไข่ของเรารวมลูกก็เป็นส่วนตัวของไข่ของเราน้ำไปประกอบน้ำไปทำรวมลูกอยู่ที่ไหนมีอยู่แล้วความรู้คมรู้สึกตัวมีอยู่กันทุกคนแต่ลูกต่างมาละเราไม่ได้ม่ดได้เอามาใช่ ไอ้เข่นมันหลงไม่ได้เอาความรู้มาใช้เวลามันโกรธไม่เอาความรู้มาใช้ไม่เวลามันทุกข์ไม่เอาความรู้มาใช้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ดังที่พูดอยู่เสมอว่าต้นไม้มันเหี่ยวต้นกล้ามันเหี่ยวมันต้องการน้ํามาลดน้ํามีอยู่ แต่ไม่ได้เอาน้ำลดต้นไม้ขณะที่มันเหี่ยวมันก็ตายไปกับความเหี่ยวชีวิตเราก็หมดไปกับความหลงความหลงหรลอคลองชีวิตเราคองโกรธองชีวิตเราคองทุกข์คลองชีวิตเราสติเหมือนกับ น, น้ำอุปมานะเวลามันหลงรู้ขึ้นมานะในความหลงเป็นความรู้ ในความเหี่ยวแห้งของต้นกลา้ากลายเป็นความสดชื่นเป็นสีเป็นชีวิตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาได้ความรู้จากความหลงได้ความรู้จากความทุกข์ได้ความรู้จากความโกรธ ได้ยินไหมเราพ ร, ร, ระพรุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาที่เราสาธยายไปกี้นี่ว่าวววทุกเรารู้แล้วทุกเราทําได้แล้วเหตุที่เกิดทุกเรารู้แล้วเหตุที่ทำให้เกิดทุกเราทําได้แล้ ว, เ, เ, รลวเราละได้แล้ว ทุกเราลู่แล้วเห็นได้เก um ิดทุกเราแก้งแล้วดูแล้วแก้งแล้วเราทําได้แล้วเราทําได้มากแล้วอย่างนี้เลยว่างักคือดูคือเห็นคือกิ้งไปแล้ว มันจริ้งไปแล้วมันไม่เหลือแล้วมันผ่านไปแล้วไกลไปแล้วแม่ไกลหนึ่งวา2หสองวาก็ไกลไปแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องประกอบให้เป็นฐานเป็นที่ตั้งนะเพื่อจะได้ใช้ได้สะดวกเตรียมพร้อไมไว้แม้มันไม่หลง จะใช่เวลาต่อเมื่อหลงจึงไปรู้อ น, นั้นบันบางทีไม่ทันไม่พร้อมส่วนมากหลงเป็นหลงเพราะมันไม่มีที่ตั้งไม่ไม่มีสติเป็นพื้นฐานเสียก่อนดังที่เราได้สาธิยพิสูตรว่าจริงที่ทำให้ดับไม่เหลือแห่งทุกมีอยู่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางบัะเสริฐ ประกอดองเปดประการคือความเห็นชอบการนำหลีชอบการพูดจาชอบการการการทำงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบการตั้งสติชอบชอบการทำสมาธิชอบ มันอยู่ในคราวเดียวกันคืออะไรคือตัวปฏิบัติมันพร้อมนะเวลามันไม่มีอะไรก็รูอยู่มีสติไปเนกายอยู่เป็นประจำมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำเวลาอะไรมนเกิดขึ้นเลยใช้ได้สะดวกโอ้เมื่อามันหลงจะมีสติใช้ ประกอบกันให้มันทันบาะละเวลามันหลงได้ ล, ลู้ถ้าไม่หลงก็ลู่ไปไ ป, ไปในกายไปก่อนหรือว่าเป็นการฝึกขัดทำให้มันเป็นเวลามันหลงให้ลู้ให้เป็นอย่าให้หลงเป็นหลง ถ้าหลงเป็นหลงรียว่าทำไม่เป็นทำเป็นไม่ใช่ความรู้การทาเป็นนี่มันต้องสอนตัวเองแต่ความรู้คนอื่นสอนความรู้คนอื่นสอนให้จำเอาได้หัวคิดนะใช่หัวคิดได้ใช่ปัญญาแต่ <ใน S 2> การทา <ำ S 2> เป็นเป็นนี่ไม่ต้องใช่ หัวคิดเหตุผลเป็นการกระทําลงไปตรงๆไม่ใช่คำตอบจากความคิดนาคำตอบจากเหตุผลเหมือนเป็นสูตรสำเร็ จ, รจตามการศึกษาของโลกทั่วไปเป็นการกระทําให้เหมือนเป็น เวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวแล้วก็มีไม่มากก็เกิดจากความหลงเวลาเราปฏิบัติมีความรู้สึกตัวก็จะเห็นความหลงตรงกันข้ามมีความหลงมีความรู้ตรงกันข้ามมันมีคู่ มีความโกรธมีความไม่โกรธตรงกันข้ามมีความทุกข์มีความไม่ทุกข์ตรงกันข้ามสัมผัสลองดูโดยเฉพาะมีสติไปในกายกายม่แสดงออกแสดงออกมาเป็นอาการมีมาารมสุขมีทุกข์นั่งนา น, น, าน เพื่อนไหวมือเดินจงกรมมันต้องมีอาการอะไรเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เห็นมีสติเห็นสุขเห็นมันทุกข์ทุกสุขที่มันเกิดกับกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอาการนั้นหนึ่งนิ้สติไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่เป็นทุกข์ เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์มันคิดก็มีบางทีเรานั่งอยู่ที่นี่มีสติอยู่ที่นี่บาทีมันคิดไปโน่นไปนีก็เห็นเห็นความคิดที่มันคิดไปที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็กลับมาลู้ที่ต้อง สอนคิดซะไม่ใช่อยากให้คิดได้ทุกอย่างเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดมามีสติให้เป็นงานเฉพาะไม่ใช่ลหลายเรื่องในคราวเดียวกันอาดให้เป็นเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิด เวลานี่มีมามีสติใครก็คิดได้ใครก็คิดเป็นยิ่งเครืพุทธเจ้ายิ่งพระศิริัถาอาจจะคิดมากกว่าเราเหตุปัจจัยทำไมคิดมากกว่าเราได้เพราะพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นโพเพียงลำพังคนเดียวชีวิตเดียวอยูย่ในบ่าในดง ผนตกเดยดออกลมพัดโยงสวดด้วยข้างันทั้งหลายตำธาจะเป็นโน้่นเป็นหนาวนั่งอยู่ในร่มไม้ไม่มีร่มไม่งอเหมือนพวกเราจำเป็นจะต้องอาจจะคิดมากคิดก็คิดอาจจะคิดเปรียบเทียบพระองค์มีบทศาตร์สามเรื่อดูเร่ดูผลก็มีอยู่หลังหนึ่ง ดดูหนาวมีหลังหนึ่งฤดูร้อนมีหลังหนึ่งเป็นเจ้าฝ้าชายมานั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่นต้องทําให้คิดเปรียบเทียบขนะึ้นมาแต่ก็กลับมาเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดถึงประสาถึงลกูกถึงเมียถึงพระเจ้าจักรพรรด เพื่อกลบมามารู้สึกตัวศอนสอนกิดให้มีระเบียบเฉพาะเรื่องอาจจะคู่แขนเข้ารู้สึกเหยียดเขนออกรู้สึกนี่หลาเช่นไปกลับมาคู่แขนเข้ารู้สึกเหยียดแขนออกรู้สึกนี่มารู้ที่นี้เรียกว่ากอรยอมรับศนา บางทก็จะหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในาบางครั้งก็จะเดินยังกรมเพราะมีทางเดินยังกรมอยู่ทางทิศเหนือของต้นสีมหาโพธิ์ที่จําลองไว้สติอยู่กับกายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวสติอยู่กับลมหายใจสติอยู่กับการเดินยังกรมสติดู รู้อยู่กับปัคิดอันเดียวกันมีสติอันเดียวกันกลับมาปฏิบัติคือกลับมาหาที่ตั้งเอาไว้สอนอยู่ตรงนี้หลงทีอรู้ที่นั่นมันหลงไปทางไหนรู้ที่ที่นั่นหลงไปทางความทุกข์ก็รู้เห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันคิด <c oughs> ไม่เข้าไปอยู่ในความคิดบางทีก็เห็นความสงบก็ไม่เข้าไปอยู่ในความสงบ <c oughs> เห็นความพุ่งซ้อน <c oughs> คิด <c oughs> <G> ก็ไม่แค่เข้า <c oughs> ไปอยู่ในความพุ่งส้อมีเหมือนกัดสิ <c oughs> ่งที่ขวางกั้นไม่ให้รู้ <c oughs> มีมากทำใหม่ๆแนวความโง่งเหงาหอน มีบางทีมันดือ้อยากให้ลูก้การเคลื่อนไหวมันไม่ยอมลูไมันจะหลับอย่างเดียวมีเหมือนกัน ต, ตื่นปลุกให้มันตื่นมันอ่อนแน่ทำไมเข้มแข็งตาบลื่นไม่ขึ้นพยายามยืดตัวตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ยืดบันเอวยืดหน้าอกยืดต้นคอ บางใบหน้าไม่สง่างามอุ่อาจอย่าไปนั่งอยู่ในอิริบทเดียวมันเก่ามันค้าค้าเปลี่ยนอิริบทใหม่ถ้านั่งแม่จะนั่งเพียบนั่งเก้าอี้นั่งคันสมรรถก็มันตั้งโทนใหม่อยู่เรื่อยก็นั่งไปนานๆมันจะมันจะเก่า อรบทมันเก่ามันก็บ้องไม่ชัดมันดูไม่ชัดมันรู้ไม่ชัดเหมือนเราเมื่อเราดูหนังสือ <c oughs> ตาดูเป็นานานๆมันก็ไม่ไม่ได้ต้องกระพริบตาต้องกระพริบตาตั้งต้นตาใหม่ดูอีกใหม่ลืนใหม่หลับใหม่ดูใหม่หัดตน้นสอนตน้นหาอุบาย อะไรที่มันชัดเจนหาหมาใช่เพื่อจะใช่ให้มันรู้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่าขึ้นรู้ขึ้งหลงบางทีง่วงก็ยังให้ง่วงอยู่เช่นนั้นยกมือเคลื่อนไหวเดินยังกลมอยู่ก็ง่วงเช่นนั้นไม่ใช่เปลี่ยนให้มันได้ไแต่ความคิด ที่มันพุ่งสังอุทจักกุกุจจะคิดเหมือนกับไก่เคี่ยงไม่เป็นขิ้เป็นอันไ่อยากคิดมันก็คิดพวกเนี้ยตั้งต้นใหม่กลับมาสอนมันคคิดมีสองลักษณะ <c oughs> ตั้งใชคิดมีเหมือนกันไม่ตั้งใช้คิดก็มีเหมือนกันมันคิดขึ้นมาเองแต่เวลาปฏิบัติไม่ควรตั้งใช้คิดเรื่องใดให้มีสติอันที่มันละคิดทันทีโต้อตอบทักท้วงฉันทีรู้สึกกลับมาให้ไวมันนี่เลย ว, ว่ามันมีสิ่งที่ขวางกัน้น นั่นแหละงานของเราอย่าท้อถอยได้เปลี่ยนหลงเป็นรูมันถูกต้องได้เปลี่ยนทุกเป็นรูนี่มันถูกไปเปลี่ยนหลงเป็นรูทุกอย่างที่มันหลงเป็นรูขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมาโดยเฉพาะรูปแบบของกรรมฐานเนี่ยสติปัฏฐานนี่ตามแบบพระกายแบบพระ เราจับเอากายแบบพระมาเคลื่อนไหวไม่ใช่อานาบัพะอนาบัพะคือลมหายใจกายบัพระคือกายเคลื่อนไหว <c oughs> <c oughs> มันใช่ได้สิบสี่จังหวะพอดีพอดีกับกั บ, กบพระวะิรุต่อวิเนที วินาทีหนึ่งลู่ชีหนึ่งสิบสี่ลู่ก็เป็นวินาทีแล้วลู่ก็ไดนะ้มันจะพอดีหนึ่งลู่สองลู่สามลู่พอดีกับวินาทีหนึ่งเข็มนาฬิกาอาจจะช้ากว่านั้นไม่มากอาจจะไวกว่านั้นไม่มากสิบสี่วินาทีสิบสี่ลู่เนี่ยมันพอดีมันจะงอกงามได้จริงๆ 1วันเ็ดวันเนี่ยพิสูจน์ลองดูผู้มีปัญญาทั้งหลายอย่าไปเชื่ออย่าไปคิดนะคำตอบจากความคิดเอาเหตุเอาผลมาคิดนะคำตอบไม่ใช่นะกรรมฐานไม่ใช่คิดเป็นการกระทําเอาสมผสเอาความหลงบความไม่หลงเป็นเช่นไความโกรธกับความไม่โกรธเป็นเช่นายความทุกข์กับวามไม่ทุกข์เป็นเช่นไย หลงบีเท่าลร่เรื่องใดที่มันหลงก็คือหลงเพราะว่าที่ลู่อะไรที่มันหลงคือลู่ลู่ที่ไหนก็คือลู่มันคิดหลงไปในความคิดรวมรู้สึกตัวที่ไปเกี่ยวกับความคิดเป็นความรู้อันเดียวกันกับความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวรวมรู้สึกตัวอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ กความรู้สึกตัวอยู่กับพบระพุทธเจ้าสมัย ส, ยสองสามพันปีอันเดียวกันไม่ใช่คนละอยา่างความรู้สึกตัวอยู่กับพระสองฆอ์เจ้าความรู้สึกตัวอยู่กับพระว่าเจ้าโยมอันเดียวกันอยู่ในเพศใยละที่ใดไม่เกี่ยวเป็นสากลไม่ใช่คนละอย่างมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละคนเราเนี่ย มีหลงมีลู่มีโกรธมีลู่มีทุกมีลู่เหมือนกันหมดมีสิทธิเวลามันโกรธมีสิธิไม่โกรธเหมือนกันหมดเวลามันทุกมีสิทธิไม่ทุกเวลามันหลงมีสิทธิไม่หลงเหมือนกันแต่เราใช้สิทธิไม่เป็นโกรธข้ามวันข้ามคืนทุกข้ามวันข้ามคืน ไม่ใช่จุดที่ไม่โกรธในเวลามันโกรธก็ไม่เคยหัดไม่เคยสัมผัดความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธมันถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์มันถูกต้องสัมผัสอย่างนี้ไม่ต้องถามใครจะเลือกเป็นจะเลือกเป็น ทำให้สิ่งร้ายเป็นดีขึ้นมาสิ่งที่ผิดเป็นถูกขึ้นมาจะเรินในความดีจะเรินในความถูกต้องดี๋ยวัฒนะรดีขึ้ น, นเจก้าขึ้นจนถึงกับใจดีเป็นบุญได้เย็นที่สุดเป็นนิพพานไปเลยจากใจที่มันไม่ดีเนี่ยใจิตใจที่มันหลงเน่ จนไม่มีความหลงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากข้วแรกคือเปลี่ยนหลงเป็นรูนี่ถ้าไม่หลงก็บรูไปให้รูมากๆเข้าแต่รูมากเข้ามันก็คือมันก็คือท้องไม่ความหลงน้อยลงนั่นแหละ ไม่ใช่ไปทำอะไรอื่นถทะลุมากมันึกแสงสว่างมากมความมืดก็หมดไปแสงนิออนก็ความมืดก็หมดไปไม่มากแสงอาทิตย์ก็ลู่อย่างโลกควาลู่คู่กับความหลงนั่นแหละไกลจากอะไไกลจากความหลงแล้วมีความรู้จึกตัวเองก็ไปแล้วเข้าไปแล้ว เวลามันหลงง่ายง่ายแต่ก่อนหลงไม่ชอบพอ ม, มีความรู้เดียวหลงนี่มันจะเพราะว่าไม่ชอบไม่มีไม่ได้เห็นเพราะว่าที่เห็นนี่อันเดียวหมดแล้วมันหลงเห็นหลงไม่เกิดพิบเกิดเพื่อมไม่กระบรทบเกิดเทือนทุกข์ก็เห็นทุกข์ข ผิดเห็นผิดถูกเห็นถูกสงบเห็นสงบพุ่งสร้างเห็นพุ่งสร้างภาวะที่เห็นมันเรียบเรียบไ ป, ไปเหนือภาวะที่เป็นถ้ายังหลงไม่พอใหญ่ไม่อยากให้มันหลงสงบดีพุ่งส้างไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นสติไม่เป็นอย่างนั้นเห็น เขามาเห็นมันหลงเห็นมันคิดเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันรู้เห็นมันผิดเห็นมันสงบเห็นไม่สงบอันเดียวกันเราะว่าที่เห็นเนี่ยสติเป็นอย่างนี้เหนื้อเหนื้อลดชาติของโลกดังที่เราได้ฟังสมมาสติตอนควงพอใจเล็กพวมไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ความพอใจแล้วความไม่พอใจเป็นรถของลูกเห็นนี่มันไม่มีรสทำให้ไม่มีค่าความทุกข์ทให้ไม่ไม่มีค่าไม่มีรสชาติของคำว่าทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยเห็นมันหลงความหลงไม่มีค่าเห็นมันผิดความผิดไม่มีค่าเห็นมันถูกความถูกไม่มีค่า ไม่ได้เห็นอย่างเนี้ยเรียบว่ารู้แล้วรู้แล้วใชแล้วเพราะที่เห็นเนี่ยเห็นมันก็ไม่เป็นสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์โกรธเห็นมันโกรธไม่ได้เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์ก็คืออะไรคือหลุดพ้นหลุดพ้น ไม่ที่ตั้งไม่หลงมีที่ตั้งไม่ทุกมีที่ตั้งเพราะเห็นไม่เป็ น, นยมันเหนือทุกอย่างเพราะเราประกอบเพราะเราปฏิบัติทรมันไปเหนือเหนือแนละ้วถ้าเป็น ถ้าเป็นน้ำก็อยู่ในน้ำก็เป็นดอกใบบัวดอกบัวไม่เปื้อนกับน้ำภาวาที่เห็นเนี่ยเหมือนใบบัวไม่เปื้อนกับน้ำไม่เปียกย่าว่าภาวาที่เห็นเนี่ยเป็นพงไม้จันไม่เปื้อนเป็นศีลแล้วมีสติก็เล่าความชั่วแล้วมีสติก็ทำความดีแล้วมีสติกิตก็บริสุทธิ์แล้วมีสติมันก็เป็นศีลแล้ว ตั้งใจที่จะรู้สึกอยู่เสมอใส่ใจที่รู้อยู่เสมอเป็นสมาธิแล้วเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นปัญญาแล้วเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเลยศนะินก็คือลักษานกายวาจาให้เรียบร้อยเวลาเรามีสติมันก็ไม่ทำความชั่วล อ, อย่มยมีสติก็ทำความดี มีสติจิตก็บริสุทธ์ไปเลยทีเดียวเป็นวงจรเป็นเส้นทางไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักไม่ในภรริกษุปัญจวีร์ไม่ได้รับศีลเลยเอาหลักของธรรมจักเอาหลักของโค้ปปฏิบัติไปปฏิบัติภายในเจ็ดแปเดือนเนี่ย ไม่ปรากฏเรื่องว่ารับสินสมาทานสินเพราะเรื่องนี้แท้ๆเนี่ยพอมีสติก็รับความชั่วแล้วไม่แต่คิดก็ไม่คิดไม่กล้าคิดแล้วก็เป็นสินแล้วนะรักษาใจแล้วกายก็ไม่ได้ไปทำลายอะไรถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่ ไม่ได้ทาชั่วแล้วมันชั่วชั่วความผิดมันเกิดอยู่ที่ความหลงถ้าไม่มีหลงล้วก็ความโกรธก็เกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นอกุศลธรรมสามอย่างคือความโกโรธลูกหลงเพราะว่าที่หลงนี่เป็นมารดาของความลุ่ความโกรธ ถ้าไม่หลงก็ไม่โกูดถ้าไม่หลงก็ไม่โล ง, ล ง, ลงเราจึงมาจับเหตุปัจใจตัวนี้เลยภาวาที่รู้กับภาวาที่หลงตรงกันพอดีเหมือนแสงสว่างกับความมืดอะไรเป็นคู่แบบนี้พระศีรัถะ สมัยเป็นเจ้าพ่อชอยมงเป็นคู่แบบเนี้มีเกิดต้องมีไม่เกิดมีแจอแต้องมีไม่เจอมีเก็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายไม่จำนวนยอมรับไม่แต่ไม่จำนว น, นนัน้นทนว่าวอันหนึ่งคือยอมรับความแก่ก็ยอมรับ คมเก็บก็ยอมรับความตายก็ยอมรับแต่ไม่จำนวนคือภาวะที่นี่แหละเห็นไม่เป็นเนี่ยเห็นมันเจ็บลองดูเชเห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เก็บคือไม่จำนวนเห็นมันแก่ไม่เป็นผู้แก่เห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายคือไม่จำนวนเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ มันจะชำนาญไปเป็นปริญญาไปจนเห็นมันแก่มันเก็บมันตายไม่ได้เป็นผู้เก็บไม่ได้เป็นผู้เก็บไม่ได้เป็นผู้ตายราะวะที่เห็นเนี่ยแต่ภาวะที่เป็นน่ะอยู่ในภาวะที่เกิดเจ็เจ็บตายเป็นพู้เป็นชาติแม้แต่อาการเกิดกับกายก็มีพู้มีชาติที่นี่ มีตัวมีตนไปในกายมีตัวมีตนไปในความคิดความคิดก็เป็นพวกเป็นชาติได้เห็นมันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่กําเบลเห็นกายชั่วกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เริ่มไปอย่างนี้แล้ว อยา่างพระโสดาบันเนี่ยสักยญาิติไม well, ่เอากายมปเป็นตัวเป็นตนเห็นกายไม่ได้เอากายมาเป็นตัวเป็นตนอะไรที่มันเกิดกับกายเป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์ ความร่อนความหนาวเป็นอาการของกายความหิวความปวดความเมื่อเป็นอาการของกายขอบคุณที่มันหลวขอบคุณที่มันร้อนขอบคุณที่มันรู้จักเก็บจากปวดเวลายุงกัดมันเจ็บรู้จักเก็บรู้จักป้องกันรักษาขอบคุณมันไม่เอามาเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้ะหิวก็เป็นทุกข์ หิวข้าวก็เป็นทุกข์น่าจะขอบคุณอาอยุเกสิบปีแล้วหิวข้าวเหมือนกับเด็กแสดงว่าสุขภาพดีถ้ามันหิวเราไม่ตายถ้าไม่ไม่หิวเราตายแน่นอนมันร้อนก็ดีจะได้ป้องกันภัยไม่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์โดยเห็นกายสักว่ากาย ว่าสโสดาบันละจริงเหล่านี้ได้ไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนหรือว่าจักรกายทิฏฐิวางได้ไม่เอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์บางทีเราไม่ได้ฝึกหัดความคิดเฉยๆก <c> ็ <oughs> เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความคิดตองทั้ี่ไม่มีใครทํา ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นทำให้เจ็บปวดแต่เจ็บปวดเพราะความคิดตัวเองคิดแบบกัดตอดตัวเองให้ใหเจ็บปวดถึงกับน้ำตาไหลถึงกับนอนไม่หลับปืินข้าวไม่ลงความคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์เบาบางเกินไปไม่ใช่คิดแบบนั้นไม่ต้องเอาชีวิตไปห้อยไปเขียนไว้เกิดความสุขความทุกข์ ไม่รับใช่ความสุขความทุกข์คีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรเหนือสุขเหนือทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เนี่ยไม่เอาคี้ไปห้อยไปเขียนไปกับกายกับใจอันคิดว่า ก, กายคิดว่าใจนี่จะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะจริงเหล่านี้เพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วกายนมันไม่เที่ยงหรอกใจมันก็ไม่เที่ยง มันมีอารมณ์เป็นคู่บางทีเราเอาลมมาเป็นใจเช่นความโกรธเนี่ยถือว่าเราเสือไม่ใช่เลยถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมถ้ากูได้โกรธก็ต้องถามัมกูได้โกรธตุนทุงฆ่ามันเอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตนเชียผู้เสียคนเชี่ยเปรียบความโกรธทำให้พา ผิดพลาดได้มาดูสิชีวิตเราไม่ใช่ปูไปด้วยดอกกุหลาบมีคลื่นนะไม่ใช่เราอยู่คนเดียวแม้แต่เรามีกายมีใจก็มันก็มีอะไรเป็นคู่กันอยู่เนี่ยตามก็มีลูกนะหูมันก็มีเสียงจมูกก็มีกลิ่นลิ้นก็มีรสเนี่ยกายก็มีการสัมผัสคิดก็มีอารมณ์เป็นคู่ของมัน มีเคยผิดเคยพลาดไหมอาเกิดเห็นขึ้นมาพลอยใจไม่พอยใจหอได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจมีบ้างไหมอาลมณ์มากระทบใจ้ะไม่เกิดความโกรธเป็นทุกข์นอนไม่หลับเืินเข้ามาลงมีบ้างไหมถ้ามีน่ะอย่าปล่อยเที่งไวมันทำได้อยู่สิ่งจะไม่เกิดทุกข์ มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราทําได้แล้วเราทําให้แจ้งแล้วเราทําอะไรมากแล้วได้ยินไหมพระพุทธเจ้าจแสดงทำเมื่อกี้เนี่ยว่ารู้ตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เราเห็นความรู้ตามความจริงว่าเป็นอย่างนี้จิงทำไมเกิดดับทุกข์ไม่เหลือมีอยู่ทำอย่างนี้เราทําได้แล้วทําได้แล้วรู้แจ้งแล้ว ไม่มีที่ตั้งบบกคืนไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าไม่มีที่ให้อยู่จหลัดคืนบอกกลับมีสิทธอยเปอร์เซ็นมีสธิไม่หลงไม่กลัวไม่ทุกข์รอยเปเนชีวิตเราเน่เป็นอิสระถ้าไม่ทำไม่ได้ก็ให้รู้ว่าย มีคนบอกเวลามันหลงไม่หลงก็มีนะเวลามันโกรธไม่โกรธก็มีนะเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีนะอยู่ในตัวนี่แหละอย่าจนอย่าจนต่อความหลงอย่าจนต่อความโกรธอย่าจนต่อความทุกข์มันมีทางไปอยู่มีคนบอกพระเจ้าบอกไปแล้วลองใจใจดู จะได้ใช้ชีวิตที่ชัดเจนแม่นยาำเป็นชีวิตส่วนตัวอยู่กับโลกก็ไม่เพื่อนกับโลกเหมือนใบบัวอยู่ในน้ําก็ไม่เพื่อนกับน้ําไม่เปียกกับน้าชีวิตของผู้มีธรรมะเหมือนมีล้มในมือฝนตกไม่เปียกชีวิตของผู้มีธรรมะมันนอนในมุ้งยุงก็ไม่ได้กิด นอนในมุ้งฟังเสียงยุงเห็นลกูกดูโลูกอย่างแกมแจ้ง ม, ม, มันก็ปลอดภัยไม่มีภัยชีวิตที่ไม่มีภัยเรียกว่าอริยะบุคคลอริยบุคลบคลไม่ใช่ใครที่ไหนคือไม่มีภัยในชีวิตของเราเนี่ยไม่เอาความสุขความทุกข์ไม่เอาชีวิตไปค่อยไปแขียนไม่กับความสุขความทุกข์ ไม่โอกายเอาใจไม่เอาชีวิตเป็นเมื่อไว้กับกายกับใ จ, ใจที่มันจะมาเป็นสุขเป็นทุกข์กขชีวิตต้องเป็นชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรคือชีวิตทีต่ยังเป็นสุขเป็นทุกข์ยังไม่มีชีวิตเกิดดับเกิดดับยิ่งมีความโกรธความโลภความหลงยิ่งไม่มีชีวิตเลยเป็นล่ะใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ชีวิตขอเรามาถึงปุณ น, นีความหลงกับความรู้อันไหลมากกว่ากันลองดูสิระหว่างหลงกับระหว่างรู้อันไหลมากกว่ากันสิบสจังบะรู้ทุกจังบะไหมสิบสี่รู้มีรู้ทุกข้างไหมลองดูจะได้ใส่ใจ อะไรมันขาดตัวโบกพอกจทไดเพิ่มเติมเข้่ไปแล้วลู้ทุกจังหวะสิบสี่ลูกเนี่ยจะมงหนึ่งก็จะได้ตั้งสามพันหกร้อยลูกมากลูกขึ้นไปนะนี่ก็คือตัวไขรตัวมันไม่ใช่สนให้ลูกเป็นการกระทำเป็นการฝึกตนสอนตนเองนะ ไปทำเราจะเป็นมีเป็นเพื่อนสงสัยอะไรถามกันเป็นเพื่อนกันไม่โทษไม่ทิ้งจะไม่พาหลงทิศหลงทางในการปฏิบัตินี้ตามแนวทางพุทธเจ้าจงสงศนว่าเป็นอย่างนี้ ในบาบาที่มันหลงไม่หลงก็ทำํำมีอยู่เปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการย่อมรู้ิเห็นจริงในธรรมที่ควรู้คนเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติอันนี้ก็สมควรใช้เวลาเพื่อให้เป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติได้ยินไดฟังเอาไวา้กับพระพ้อมกัน